เรพทรมอพระทั้งใหม่และเก่าวันที่2มีนาคม2588ณวัดป่าบ้านตาาจังหวัดอุดรธา น, นีการเป็นฆราวาสกับเป็นพระมีความต่างกันถ้าเราเป็นฆราวาสแม่จะมีกฎหมายบ้านเมืองทิ่ระเบียบ ขอบังคับปกครองอยู่ในเรื่องของจิตมีการเล็ดลอดออกได้ตลอดเวลานอกจากนั้นกายวาจาก็ยังมีทางเล็ดลอดได้เพราะการสมใจต่โอวเวงมี น, อน้อย เรื่องระเบียบแบบแผนขนทรทมเนียนมือกฎหมายม่านเมืองเป็นของดีสำหรับผู้สนใจจะปฏิบัติตามแม่ที่สุดจะปลดข้อบังคับของตัวเองที่ตั้งขึ้นเพื่อดัดความประพฤติของตนเองถ้าเรามีความสนใจต่อกฎเกณฑ์ทั้งเรา แ, แล้วเราก็กลายเป็นคนดีได้ แต่ถ้าขาดความสนใจก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เหมือนกันมีปพูดถึงความเป็นพระก็ต้องมีหลักธรรมนิยเป็นเครื่องแบบเปรงกายวาจาใจแต่หลักของรธรรมนิยมีู้สึกว่าแลกต่างกับโลกอยู่บ้างเพราะเป็นส่วนละเอียด ดังนั้นผู้ก้าเข้ามาบวชเป็นพระเป็นเนรในพระศาสนาโลกทั้งหลายจึงนิยมนับถือกราบไหวและพอใจร้อมตั้งความยินสยินดีที่จะสนับสนุนผู้ที่ก้าเข้ามาสื่วงกาศรศสิทธิ์เพราะเหตุ ว่าในประเทศไทยของเรานี้นับถือประทธศาสนาย่อมทราบเรื่องของพระศาสนาได้ดีมากกว่าเมืองที่เขาไม่สนใจพระศาสนาเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องทราบผู้ที่ก้าเข้ามาบวชในพระศาสนาว่าจะ เป็นผู้ดับแปลงกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามหลักของคตธรรมนิไนซึ่งเป็นธรรมที่มีความสวยงามประจําองค์ของธรรมนิไยอยู่แล้วให้กลายเป็นผู้มีความสวยงามขึ้นไปตามหลักของคตธรรมนิไนโดยทางมารยาทและจิตใจหากว่าเราได พยายามดัดแปลงกายวาจาใจของเราให้เป็นไปตามหลักของพระธรรมยิ่งแล้วแม้เราเองก็ยังมีความภาคภูมิใจและเห็นผลประจักษ์ภายในตัวเองไม่เพียงแต่คนอื่นจะมีความเคารพวมใสกราบไหวบูชาและให้ความสนับส น, นุนด้วยตัณใจสี่เพียงเท่านั้นเราเองยังรู้สึก มีความภาคภูมิใจในเราที่ได้พยายามดัดแปลงตนเองให้เป็นไปตามหลักของพระธรรมวินัยที่พระ อ, องค์ท่านตรัสสอนไว้ผู้ที่ดัดแปลงตนให้เป็นไปตามหลักของพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดเพียงไรยอมเป็นที่ภาคภูมิใจคนเพียงนั้นนอกจากนั้นยังเป็นเหตุ ให้เทิดชูพระศาสนาซึ่งเป็นส่วนรวมเพื่อจะประชาชนทั้งหลายซึ่งเขาไม่สามารถจกหรือไม่มีโอกาสที่จะบวชเหมือนอย่างเราได้มีความภาคภูมิใจและมีความเลื่อมใสมั่นคงในพระศาสนาเพราะเหตุแห่งพระผู้ปฏิบัติดีท เป็นจำนวนไม่น้อยหลักของพระศาสนารวมทั้งพระธรรมและพระวินยัยเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากเพราะส่วนให่ ออกมาจากจิตใจและดัดแปลงจิตใจมากกว่าอื่นกายวาจาจำต้องคล้อยตามใจที่ได้อบรมตามหลักธรรมะและที่ไหนครูมีจิตใจหนักแน่นในพระธรรมทิ่ไหนกายวาจาจริงเป็นที่น่าดูความประพฤติทุกด้านเป็นที่น่ารวมใส นั่นเป็นที่ภาคภูมิใจของตัวเองด้วยอยู่ที่ไหนก็เย็นใจสบายก็ บ, ยบัตรนี้เราทั้งหลายที่ได้บวชในพระศาสนาผู้ที่บวชใหม่ เพ่งเริ่มบวชได้สองสามวันแล้วอุตส า, าหมาอบรมดัดแปลงตนเองกับครูกับอาจารย์าก็กรุณาได้ทำความมั่นใจต่อหลักพระธรรมนิยนว่าอย่างไรต้องให้ผลคือความร่มเย็นแก่ตนเองโดยแน่นอนเมื่อเราได้พยายามเติมทุปฏิบัติตามหลัก ของวัดทอยังไงและที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเนาการอยู่ทางคารวาสเราก็อยู่มานานความชั่วเราก็เคยได้เห็นเขาทำก็มีเราทำด้วยเองก็มีไม่ว่าความชั่วที่จะเกิดขึ้นทางกายทางวาจาและทางกิจใจทั้งสามประเภทนี้ เป็นสิ่งที่เราเคยได้เห็นได้ยินและเป็นสิ่งที่เราเคยทำมาจนชินและสามารถทราบได้ชัดว่าความชั่วที่เป็นไปในส า, ามถวานคือกายวาจาใจทั้งของเขาและของเราเนี่เป็นสิ่งที่เป็นข่าศิกต่อความดีของดั เพราะถ้าเราปล่อยช่องทางให้ความชั่วได้มีโอกาสสังสมตัวเองขึ้นมาโดยอาศัยกายวาจาใจเป็นเครื่องมือแล้วความชั่วทั้งหมดที่ริผิตผลออกมานั้นจะเป็นความทุกข์ร้อนแก่ผู้ทำ เนื่อเราก็เป็นผู้ที่ได้เคยผ่านความเป็นคารวะผ่านทั้งความมีความชั่วและผ่านทั้งการทําดีทําชั่วมาด้วยแล้วและมาถึงขั้นแห่งความเป็นพระเรียกว่าเป็นที่ใหญ่เราจรึงควรทำหนึ่งเทียบเทียงกับสิ่งที่เราทําด้วยความอยากแต่เป็นความผิดนั้นให้ผลแก่เราอย่างไรบ้าง ถ้าให้ผลดีเราก็จะทราบชัดให้ผลชั่วก็จะทราบชัดภายในตัวของเราเองหากว่าการทำชั่วเป็นสิ่งที่ให้ผลดีตามความชอบใจของผู้ต้องการทำชั่วนั่นแหลการดัดแปลงตนเองให้เป็นคนดีตามแนวทางของนักปรัชญาท่านสอนไว ก็คงไม่มีน้ำถ้ำราคาคนดีคงไม่เกิดขึ้นจากการทำดีได้ตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนแต่จะกลับตรงกันข้ามกลายเป็นคนดีเกิดขึ้นเพราะการทำชั่วพูดชั่วทิชชั่ไปเสียทั้งโลกแล้วศาสนาที่เป็นคำสอนก็ไม่ปรากฏขึ้นมากฎหมายบ้านเมืองที่ จะบังคับให้คนทำทั่วก็จะตั้งขึ้นมาไม่ได้เพราะไม่เป็นของสำคัญแต่นี่เพราะเหตุใดทางโลกกฎหมายบ้านเมืองระเบียบขนบธรรมเนียมก็ยัง ม, ทงมีทางธรรมะทีรร่ทางพระศาสนาก็ยิง่งมีธรรมะดินในซึ่งเป็นของละเอียดมากกว่าทางโลกนั้น เป็นเครื่องปกครองรักษาอีกนี่เราก็พอจะทราบได้ว่าความชั่วนั้นต้องเกิดขึ้นจากการทำชั่วคนที่โลกพลเมืองดีทั้งหลายอยาก้าแง ไม่อยากจะพบค่าสมาคมเหล่านั้นล้วนแล้วตั้งแต่คนที่ชั่วด้วยการกระทําความชั่วทั้งนั้นไม่ใช่เป็นคนดีพอที่จะให้เกิดความสนิทสนมและไว้วางใจเขาได้เลยแต่ผู้ที่ประพฤติตัวตามหลักของศีลธรรมแล้วยอมเป็นที่ร่มเย็นแก่โลก แม่จะอยู่คารวาสก็ทำความเย็นเย็นแก่โลกสงสารใครที่มาคบค้าสมาคมก็ให้ความถนัดเฉยให้ความอนุเคราะห์ดเท่าที่กาลังความสานที่เกิดขึ้นจกักใครที่มีธรรมเป็นประจำผู้ที่บวชเป็นพระก็มีคุณ ง, งามความดีที่จะพอเป็นเครื่องดึงดูด ของทั้งคนภายนอกและคนภายในคือหมู่เพื่อนกันเองให้รับความร่วมสายยินดีนอกจากนั้นยังมีอุบายที่จะแนะนำคร่ำสอนในทางที่ดีตามที่ตนได้ดำเนินมาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็มาคบค้าสมาคมและมาทิกษาอบรมกับเราด้วย การปฏิบัติธรรมะนี้ก็เช่นเดียวกับการรรดกอบการงานทางโลกยอมมียากบางงานบ้างมีสุขมีทุกข์เกีอยวนกันไปเหมือนกันกันกบโลกเพราะเป็นธุระหน้าที่ที่เราจะต้องทำด้วยกันคำว่าหน้าที่การงานนั้นต้องจัดว่าเป็นภาระ ของผู้สนใจต่อการงานจะต้องทำเมื่อทำลงไปแล้วขอยอมมีความลาบากแม้แต่เขาคิดค้าคิดทายทำไร่ทานาเขอย่างต้องมีความลาบากเพราะแดดเพอาะฝนเพราะทนต่อสิ่งต่างๆที่ตนจะพึงกระทำแต่ผลรายได้ก็กลับกลายขึ้นมาให้เขาผู้ลาบากเพื่อการงานนั้นได้รับความสุขความสบาิ มีสมบัติเงินทองเข้าของมากมุลสมบูรณขึ้นเพราะความขายันหมั่นเพียรซึ่งไม่เห็นแต่ความยากและลำบากในการประกอบการงานการบําเพ็ญธรรมะก็ย่อมมีความยากลาบากเช่นเดียวกันแล้วรักษาศีลก็ต้องเป็นภาระคือระมัดระวังจากเคลื่อนไหวไปมาทางไหนก็ต้องระวัง หมายถึงนั่นศีลก็จะขาดทะลุด่างคล้อยและเป็นเหตุให้ตัวเองเดือดร้อนความเดือดร้อนขึ้นนั่นและเป็นผลที่เกิดขึ้นจากความละเมิดจากของพระธรรมนิยมกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแก่เราจึงจําเป็นสําหรับนักบวชจะต้องระมัด ร, ระวังรักษาตนเองมาใหกขาดเคลื่อนจากหลักของพระธรรมนิยม ความระมัระวังรักษาเช่นนี้จัดว่าเป็นภาระของแต่ละท่านละท่านคือมีภาระประจําตัวไม่ว่ากลางคืนกลางวันดินเดินนั่งนอนเว้นเสียแต่ลับซึ่งเป็นของสุติสัยเท่านั้นเรื่องการรักษาศีลรักษาธรรมต้องเป็นหน้าที่ของผู้สนใจต่อธรรมะหรือวินยัยซึ่งตนรักษานั้นจะต้องประคับประคองเสมอ เกี่ยวกับธรรมะล้นล้วนคือการบำเพ็ญจิตใจให้มีความสงบเยือเกเย็นแก่ตนเองด้วยวิธีต่างๆก็เป็นความลำบากสำมบนเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างปรากฏว่าทรงสลบสลายไม่รู้ผี่ครัางกว่าจะได้สำเร็จขึ้นมาถึงภูมิของความเป็นศาสนาสอนโลกได้รู้สึกว่า เป็นมาด้วยความทะเกียบตะกายเหลือตายแล้วนั่นแหละจึงปรากฏเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาถ้ายังไม่เหลือตายหรือรอดตายแล้วยังเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้การจะทําด้วยความลําบากขึ้นนั้นต่อลาบากขึ้นเพราะงานของพระองค์ทาเราที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า ผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีความเดี่ยวกล้าสามารถต่อหน้าที่การงานที่ชอบตามเพศของตอนนี้จึงควรถือว่าเป็นความภาคภูมิใจต่อหน้าที่การงานในเพศของตอนยาได้มีความพอทนและจิตใจแม้จะแสนพยศก็จะทนต่อ ความขยันหมั่นเพียรในการอบรมไปไม่นการกล่าวถึงเรื่องวิธีการอบรมทั้งหมดเพื่อจะหายพยศเป็นลำดับลำดับไปนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ภาระที่จะต้องทำความทุกข์ความลาบากแต่ผู้บาเพ็ญแต่ถึงยังไงเราก็ไม่ทอดทุระทอะทุกข์เพื่อจะนำสุขมาให้นี้เป็นทางที่ชอบทำตามหลักตัวาตธรรมของพระพุทธเจ้า ซึ่งท่านกล่าวไว้ว่าทุกทักษะนันตะลังสุขังทุขย่อมจะเกิดขึ้นตามลําดับแห่งทุกนั่นแหละคือทุกด้วยการกระทํางานที่ชอบจะยากลํามาด ก, ก็ทำหนักก็ทําเบาก็ทําเช่นเราทั้งหลายอดอาหารการธรรมนานโลกทั่วๆไปเขาไม่มีการอดอาหาร รับทานได้วันยังคำ้ำตามความต้องการของตนเองแต่เราแม้จะมีอาหารหวานขาวมากมายกว่าตามที่พายุพายการนำมาถวายด้วยจตลาก็รับแต่พอประมาณวันหนึ่งมื้อหนึ่งหรือสองมื้อเป็นอย่างมากถึงเช้าทั่วเที่ยงนอกจากนั้นยังมีธรรมะเป็นเครื่องดัดเกลงแก่ตนเองอีก สำหรับผู้ที่มุ่งต่อทำหรือมุ่งต่อทำขยันมันเพียนอย่างแรงกล้าขึ้นไปเป็นดำดำดำดำลําดับลำดับแน่นงอดฉันสองมือมําเสียคืองดการฉันสองมือกลับมาฉันมือเดียวและนอกจากนั้นยังอดอีกมือวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ฉันก็ไดเพราะการสังเกต สอดูเรื่องราวของตนเองที่มีอยู่ภายในใจว่าฉันจะหันไปมากเป็นอย่างไรผลปรากฏเวลาผ่านมาทำใจให้ได้รับความสงบไหมฉันน้อยเป็นอย่างไรหรือไม่ฉันจะเลยในวันหนึ่งวันหนึ่งจะกี่วันก็แล้วแต่ตามแต่การสังเกตตัวเองและตามสมควรจากภาพของ ฉันของตมจะมอเมให้กี่วันพร้อมทั้งความสังเกตทางด้านจิตใจว่าการฉันมือหนึ่งก็ดีการแม่จะฉันมือหนึ่งแต่ฉันเพียงเล็กน้อยไม่ฉันให้เตินตามธรรมดาที่เราฉันก็ดีหรือเราอดไปกี่วันก็ดี การภาวนาทางด้านจิตใจของเรามีผลอย่างไรบ้างนี่เป็นเรื่องของท่านนักปฏิบัติผู้มีความมุ่งหวังต่อทางทุกเป็นขัน้นขั้นขนไปจะต้องสังเกตตัวเองที่ทำลงไปทุกระยะระยะในการโอดอาหารหรือผ่อนอาหารเมื่อจริตนิสัยของท่านผู้ใด ผูกกับวิธีในด้วยการสังเกตสอดรู้ภายในตนเองแล้วก็พยายามประกอบจิตนั้นเส่นผู้อดอาหารเรื่อยๆฉันไปบ้างอดบ้างนีก็ขอเหตุที่ตนได้สังเกตสอดรู้ดวงจิตใจของตนว่ามีความสงบเยอเีอกเยน็นและมีความแยกคายทางด้านตันดาเพราะการพักไม่ฉันอาหาร แต่จะอดอเอาเฉยโดยไม่คำหนึงถึงการภาวนาคือเพื่อจะรู้อัดรู้ทำจกนกระทั่งถึงเพื่อความตรัสรู้ให้ทำขั้นสูงขึ้นไปเพราะการอดอาหารเพียงเท่านั้นไม่ถูกขาดการอดอาหารนี่เป็นการพักผ่อนหรือเป็นการลดหย่อนผ่อนผันธาตุที่มีกําลังมากอาจจะทับกิจใจทังเราให้ดําเนิน ในการทานาไม่สะดวกเท่านั้นฉะนั้นการฉันมืดเดียวจึงเป็นการตัดกังวลหรือการกดไม่ฉันในวันหนึ่งวันหนึ่งจึงเป็นเหตุให้ขาดฉันของเรานั้นมีกำลังอันลดน้อยลงไป ใจที่ได้รับการอบรมด้วยทมอยู่เสมอย่อมมีกำลังกล้าขึ้นไปเป็นลำดับผู้ที่ถูกกับจริตในการอดอาหารย่อมเป็นเช่นนั้นแล้วปรากฏว่ามีผู้ที่อยู่ในขั้นแห่งความสงบก็สงบละเอียดเข้าไปเป็นลำดับในขณะที่อดอาหารผู้ที่พิจารณาทางด้านปัญญาก็รู้สึกว่าคล่องแค่วว่องไวพันกับเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องกับตนเอง เ ป, เ, ปเป็นระยะระยะไปนี่แสดงว่าถูกกับสริกเราก็ยึดเอามาดัดแปลงกันเองการอดอาหารเราไม่ได้อดเพื่อให้ตายแต่อดเพื่อจะนำธรรมะเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจซึ่งเป็นตัวการสำคัญภายในร่างนี้ให้รับความสงบเยือเกเย็นและมีความเฉลียวฉลาดรอบตัวจะไม่เป็นผู้ทรงขันด่เฉย ยังมีความฉลาดรอบรู้ต่อขันเพาะอุบายิธีต่างๆที่ตนฝึกผลทรมานตัวเองอีกด้วยนอกจากนั้นยังสามารถจะขอถอนสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อจิตใจให้หมดตปได้เป็นน้ำหนักน้ำหนั บ, นบเพราะวิธีการเช่นนี้อีกก็มีกันวนไม่นอดังนั้นการอดเพื่อการบำเพ็ญด้วยความระดกูก้จึงไม่เป็นการ หัดแย้งต่อหลักของพระธรรมนิยแต่จะอดโดยไม่คำนึงถึงการภาวนามีจุดประสงค์ที่จะรู้อัตรู้ธรรมตลอดถึงความตัดรู้ด้วยการอดอาหารเท่านี้ไม่ถูกครับนี่ว่าอัปปกิรมัฐานโยคทำความลำบากจะตนตเบล่าๆไม่มีผลอะไรปรากฏขึ้นเป็นเครื่องตอบแทน เ่พาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นนักปฏิบัติซึ่งอุตสาห์พยายามมาจากสถานที่ต่างๆมาแสดงหาครูหาอาจารย์ผู้อบรมแนะนำสั่งสอนโปรดได้คำหนึ่งหรือสังเกตเสมอในคำพูดจาทริยามายาของหมู่เพื่อนเนของครูอาจารย์อันใดที่จะเป็นคติเครื่องเจือนใจตนเองให้ถือว่านั่นเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้า อย่านําบุคคลเข้ามาภาคภูมิวาเป็นเด็กบ้างเป็นผู้ใหญ่บ้างหรือเป็นว่าเขาเป็นคนโง่เขาเบาปัญญามัาง้งส่วนใดที่เป็นคติแก่ตนเองให้ถือว่านั่นเป็นของดีแม้จะอยู่กับสุนักเราก็ยึบมาเป็นคติผอนเราได้ไม่เพียงจะอยู่กับประชาชนเพลเ ม, มืองหรือท้านเนงหมู่เพื่อนด้วยกันเท่านั้นเพราะธรรมะมีอยู่ทั่วไปท่านก็กล่าวไว้แล้วว่า ธรรมะมีอยู่ทุกแห่งทุกผลผลที่สุดใมไม้ร่วงท่านว็นำมาเป็นธรรมะเป็นเครื่องค้าสอนตอนเองหน้าผู้สนใจต่อธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นและการอบรมตนเองเพื่อให้ไม่มีการกระทบกระเทือนแทนตนเองและหมู่เพื่อนที่อยู่ด้วยกันสำหรับนักบวชนี้ควรมองดูเรื่องของตัวเสมอ อย่าได้มองดูเรื่องภายนอกคือเรื่องของหมู่เพื่อนหรือใครๆก็ตจะเกิดข้อข้องใจขึ้นมาโดยที่เรามองในแง่ร้ายถ้าเรามองในแงด่ดีนั้นมองไปที่ไหนก็เป็นของดีถ้ามองในแง่ร้ายมองมองไปไหนก็เป็นความเดือดร้อนเจ็บปวนั่นคือทางผิดเพราะหลักของรศา ส, สนาให้มองดูตัวของเราเป็นหลักสําคัญมากคนอื่นผิด เราก็นำมาเป็นคติว่าเราอย่าทําผิดเช่นเขาแต่อย่าไปตาหนิตีโทษเขาเสียทีเดียวหากจะมีโอกาสแนะนำสั่งสอนเขาด้วยความจงรักภักดีก็โปรดด้มองดูนิสัยกิริยามรามรดามาญาติหรือโอกาสที่ควรแนะนำคาสอนเขาด้วยเจตนาดีของตนธรรมนาดีย่อมมีการชนะชั่วเสมอเช่นเดียวกับสถานที่หรือสิ่งที่สโปรก ย่อมเป็นของสะอาดกลายเป็นของสะอาดขึ้นมาได้ด้วยน้ําที่สะอาดหลักธรรมะทั้งหมดเหมือนกับน้ําที่สะอาดความชั่วไม่ว่าอยู่ในสถานที่ใดบุคคลผู้ใดเมื่อนําธรรมะซึ่งเป็นของสะอาดไปลลางสิ่งเหล่านั้นหรื อ, อผู้นั้นนั้นย่อมจะกลายเป็นของดีขึ้นมา ไนอกจากจะสุดวิสัยแม้แต่พระพุทธ เ, เจ้าก็ทรงทอดอารมณ์การอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นเพื่อนมีหลายท่านหลายองค์ย่อมมีจริตมิสัยแตกต่างกันแต่จริตมิสัยนั้นอย่าถือเป็นข้อหนักแน่นจนเกินไปจะเกิดอารมณ์ข้อข้องใจ แต่มองดูหลักของพระธรรมวินัยซึ่งเป็นเหมือนกับรั้วครอบอยู่จะเป็นจริตนิสัยยังไงก็ตามถ้าไม่เป็นการผิดกับหลักของพระธรรมวินัยเราก็ให้ถือว่าเป็นสมบัติจำเพาะตัวของผู้นั้นๆไปเสียเพราะแม้เราเองก็จะทํานิสัยตัวเองให้เป็นเหมือนหมู่เพื่อนทุกๆลายไปก็ทําไม่ได้นี่จึงเรียกว่านิสยัย คนมีมากเท่าไหร่นิสัยไม่เหมือนกันกลายเป็นนิสัยมากขึ้นมาด้วยกันทั้นี้ผลที่สุดเราจะอยู่ด้วยกันเฉพาะเท่านี้ก็นิสัยไม่เหมือนกันแต่ข้อสำคัญให้อยู่ในกรอบของหนักถ้าทำไมิไหนนี่เป็นที่พอดีอมองดูกันให้มองดูด้วยความเมตตาดาได้มองดูด้วยความเพ่งโทษโกรธแค้นในเขา ว่าไม่เป็นที่ถูกเพราะไม่เป็นทุกที่ถูกหูถูกตาถูกกิตใจของตนมีเป็นเรื่องผิดถ้าจะแนะนําสั่งสอนเขาก็ขอให้สั่งสอนด้วยความเมตตาหวังทำรรเป็นที่ตัง <c oughs> เขาสอนเราเราก็น้อมนับด้วยธรรมอย่าน้อมนับด้วยโลกคือความโกรธความไม่พอใจถือว่าตนเป็นคนฉนาดาหรือมีชาติชั้นมันณะอันสูง ก่มูเพื่อนมีฐานะอันดีกว่าเขาถ้าเป็นอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้แลลวจะมาต้นกลางทางความรู้ความฉล า, มาดผลประโยชน์ของเราที่จะพึ่งได้จากหมูเพื่อนก็จะกลายเป็นคนขวางโลกไปเสียไปอยู่ที่ไหนก็ไม่สะดวกสบาสสาหรับหมูเพื่อนเพราะเหมือนกับเือขวางทาง่าหรือก้างขวางคอไปอยู่ที่ไหนหมูเพื่อนก็แต่ก็จะกระจายไปหมด เพราะเราทำตัวของเราให้เป็นคนขวางเราเมื่อขวางเราแล้วก็ขวางโลกขวางงู่เพื่อนหลักธรรมท่านให้มองดูตัวเองราะเหตุนี้เมื่อเรามองดูความเคลื่อนไหวทางกายวาจาใจของเราบกพร่องที่ตรงไหนเราพยายามปรับปรุงตนเองเกิกดปรากฏเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาตามที่เราเห็นว่าจุดนั้น บกอเมื่อเป็นเช่นนี้จะมีมากก็อยู่ด้วยกันเป็นสุขจะเป็นคนชาติชั้นวรณะไหนมาอยู่ด้วยกันเป็นสุขทั้งนั้นเพราะมีหลักธรรมนัยเป็นเที่ยงปกคร้องปูกก้าวเข้ามาสู่วงภาคกาสพัด ก, ก็เป็นผู้มุ่งตอนหลักของพระธรรมนัย ไม่นำเรื่องอื่นเข้ามาเครือบแฝงซึ่งพอจะให้ทำการผิดของแกต่ตนเองและหมู่ส่วนตลอดคัวอจา์ลูกผิดของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงจึงทำความร่มเย็นแก่ตนและผู้อื่นได้ด้วยเหตุนี้เองพระท่านมีธรรมเป็นที่ตัง้งไม่มองในเแี่ผิดโดยท่าเดียวถึงผิดเห็นเขาผิดก็มีความเมตตา ไม่อยากให้เขาทําผิดแต่ไม่ได้เพ่งโทษเขาหากมีโอกาสก็แนะนําสั่งสอนเขาได้เท่าที่ควรเมื่อเขาสั่งสอนเราก็เราก็น้อมรับโดยวิธีเดียวกันมีความยิ้ ม, ยมแย้มแจ่มใสพอพอใจต่อโอวาทที่เขาแนะนําสั่งสอนเราเพื่อทางที่ดีเมื่อเป็นเช่นนั้น ใครจะผิดพลาดก็มีทางจะเป็นคนดีได้ด้วยการแนะนำตักเตือนซึ่งกันและกันโดยไม่ถือกันเพราะถือธรรมเป็นหลักนี่แหละท่านเรียกว่าธรรมาที่ประกถือหลักธรรมเป็นที่ตั้งไม่ต้องถือความรู้วิชาอำนาจวาสนาของตัวเป็นที่ตั้งถ้าถืออย่างนี้แล้วจะเป็นการกีดขวางหรือปิดช่องทางที่ผู้อื่นจะแนะนำสั่งสอน เราก็ไม่รับความรู้ความชจ้งการมองดูตัวเราชื่อว่ามองทำทำอยู่กับใจก็งเ เมื่อเห็นใจตัวเองก็เห็นใจหมู่เพื่อนเมื่อสงสารตนเองก็เป็นอันว่าสงสารหมู่เพื่อนในขณะเดียวกันการสงสารตนเองนั้นหมายถึงการสอดสองมองรู้เรื่องความผิดพลาดของตนและพร้อมอยู่เสมอที่จะรับการอบรมแนะนํางสอนจากหมู่เพื่อนหรือครูอาจารย์เป็นทางที่ดีดูด้วยกันเป็นความสนิทสนม ร่มเย็นจะอดบ้างอิ่มบ้างจิตใจไม่ผุดเครื่องไม่เดือดนองเพราะมีหลักธรรมเป็นเครื่องรักษาจิตใจอยู่ที่ไหนก็สบายคอยพากันสนใจต่อเรื่องของตัวเราเราบวชเป็นพระ คือเป็นผู้สนะสมบัติตามที่โลกนิยมเข้ามาหมดมีแต่บริขารแปดของเราอันนี้เป็นบริขารเกล้าจำพระที่แท้จสินอกจากนั้นไม่ค่อยจำเป็นเท่าการกบการฉันได้อะไรมาฉันได้ทั้งนั้นไม่ขัดข้องกับอาหารการฉัน พห้ายามฝึกหัดัดแปงธาตุาขันธ์ของตนให้เป็นไปตามเยี่ยงอย่างของพระพธิเจ้าที่ทรงนำนือมาเพราะพระองค์ไม่เคยมีความอิจนาละอาใจยพระยาพระแยงหรือฟุ้งเฟ้อเ์เี่ยเหินต่ออาหารการเสวยอย่างใดทั้งนั้นจึงสมนามว่าเป็นพระพธิเจ้าผู้รอบคอม ในเรื่องโลกทั้งหลายและสมนามที่ว่าโลกว บ, บิทีจงมองเห็นโลกได้โดยชัดเจนทั่วถึงทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งด้านวัถุและนามธรรมารู้แจ้งเห็นจริงไปหมดเมื่อรู้ตามเป็นจริงในสภาวะธรรมทั่วทั่วไปด้วยโลกว บ, บิทีแล้วนิธีต่อการปฏิบัติต่อสภาพการทั้งหลายจึงไม่ทาให้พระองค์ นมีความขัดข้องยื่งเยอะมีความสะดวกไปตลอดข้าอภาิาบาทเ็นกระทั่งวันนี้ผนมีควรจะเป็นคติตัวอย่างอันดีสำหรับเราทั้งหลายผู้มุ่งตามเสด็จพระพุทธเจ้าในนามว่าสารพยาบุตรมีทางหนึ่นเงเพื่อสันติภายในใจของตนไม่ฝุ่งเฟออ์เหินหัไม่เดือดร้อนกับปัจจัยทั้งสี่ คืออาหารบินธมาเตเสนาสนะที่อยู่ที่อาไซยยาแก้โลกแก้ภัยมีอะไรหกผันท้ายสอยอยู่กันไปตามเกิดตามเป็นที่สบายใจมีเป็นความสงบอันของใจไม่พุ่งเฟอ้อนอกจากนั้นใจก็จะมีความสงบโดยลำพังตนเองกล้าเข้าสู่สมาธิที่ความแน่วแน่ ตอหลักธรรมื่อพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆด้วยปัญญาพอถอนความยึดมั่นถือมั่นสำคัญติดในสิ่งทั้งหลายได้ด้วยปัญญาของตนที่พิจารณาเป็นประจักเรื่องความพ้นทุกนั้นเราไม่ต้องไปหาพ้นกันที่ไหนผัดข้องที่ตรงไหนแก้ลงที่ตรงนั้นด้วยปัญญาเรื่องความหุดพ้นจะเป็นไปเป็นลาดับลำดั บ, บที่ท่านให้นามว่านิโรธา คำว่านิโลธะคือความดับทุกนั้นไม่ใช่จะดับเึิ่ทีเดียวดับทุกส่วนอยากส่วนกลางส่ละเอียดดับไปเป็นลำดับลำรา ด, ด้วยอำนาจของข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาเมื่อดับได้เต็มที่แล้วก็กลายเป็นนิพพานขึ้นมา ส, สดในหัวใจของผู้หมดเชื่อห่งยิ่งเดชทั้งหลายน่นผลที่จะปรากฏขึ้น เป็นความมุดจดุดโดยสิ้นเชิงนั้นปรากฏขึ้นมาจากความตะเกียบปะกาศความขยันหมัน่นเพียรแม้จะทุกข์ะยากลาบากจำเป็นขาดเพินอะไรก็ตามต้องถือว่าสภาพเหล่านี้เป็นของธรรมดาของโลกจะต้องมีอยู่เช่นนี้เพราะความสมบูรณ์กับความบกพร่องนั้นมันเป็นเรื่องของโลกถ้าเรารู้เท่าทันกับความสมบูรณ์ความบกพร่องขาดเพินความดีความชั่วทั้งหลาย เราก็สมารถไม่ประติดพันกับสิ่งเหล่านั้นพอให้เกิดอารมณ์อารมณ์เพิ่มทุกข์เข้ามาใส่ห้อใจข้องหลัดูที่ไหนเราก็สมารถเนื่อหลักความสบายของพระนั้นสบายด้วยวิธีปฏิบัติไม่ใช่สบายเพราะไม่ได้ทาไรทานาทําวชทาสวนซื้อถูกขายแพงทาราชการงานเหมือ่อยแต่สบายด้วยการสอดรู้ กับสบภาพการทั้งหลายที่ปรากฏเกี่ยวข้องกับตนเองทั้งภายนอกและภายในรู้แจ้งเห็นจริงกันโดยแจ้งชัดแล้วคอดถอนภารนะความกดท่วงจิตใจของตนออกไปเต็นขั้นๆเน็มกายเป็นปุน่มหมดภาชนะแต่โดยสิ้นเชิงดังสมเด็จพระภูมิมีพระเจ้าและพระอรหันต์ท่านเป็นต้นท่านเหล่านี้ท่านเดินไปด้วยวิธีนี้ ท่านเึ็ถึงความสบายอันสมบุรันนั้นบรราาเราทั้งหลายที่ก้าเข้ามาสู่ความเป็นพระเป็นเนมในพระศาสนาจงเป็นผู้ทำตนให้เป็นคนเรียงง่ายอย่าคิดจีบจิกภายในตนเองอย่าหาเรื่องจักตนอง่นว่าอันนั้นหมดอันนี้ยังอันนั้นขาดผลอนอันนี้บกพร่องที่นั่นสมายที่ดีไม่สมาย มีจะกลายเป็นเรื่องกองทุกขึ้นมาภาในตัวของเราเพราะเป็นเครื่องกังวลกับสิ่งที่หวานอยู่สบายไปสบายมาสบายฉันสบายด้วยการไม่กังวลกับสิ่งน<ม>ี้นี่แหละถูกทาง<ม>ของพระพระทุทธเจ้าผู้พยายามดัดแปลงตนเองให้ถูกกับหลักธรรมแล้วย่อมเป็นที่สมัยเป็นลหนับ แสดงธรรก็สิมาสงควรจึงขอยุติธรรมทริศนาเพียงตอเอวัน